เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมานะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ถือตัวไปสู่ทุกคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้ในการใดๆนะครับมานะเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกคตินะครับเนะพราะมานะมากๆเยอะยิ่งมากๆนี่นะครับ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตระกูลต่ำานะด้วยผลแห่งมานะนะทำให้เกิดในตระกูลต่ำแต่ถ้าหากว่าจิตที่เป็นมานะเนี่ยนะเกิดก่อนใกล้าตายก็ไปสู่อาบายทุกขติวิบัติในรกได้นะครับแต่ถ้าโดยธรรมดาแล้วถ้ามานะเป็นอุปนิสัยแห่งการนำเกิดก็จะให้เกิดในตระกูลต่ำอนุญาตครับโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่เราผมเองนะครับได้ยิน นึกเสียได้ยินว่ากรรมที่มันต้องล่วงอกุศลกรรมบทมันถึงจะนําปฏิสนธิครับในทุกติเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างมานะเนี่ยมันมันล่วงกรรมบทข้อไหนเนี่ยก็มานะเนี่นะครับเป็นเหตุใ ห, เจจให้เป็นปัจจัยให้ทําปานาติบาตก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามาถูกเหยียดหยามมากๆนะครับอันนั้นเป็นปัจจัยให้ทําปานาติบาตก็ได้เป็นปัจจัยให้ธรรมะทินนาทานก็ได้ เป็นปัจจัยให้ทําการเมสุมิชฉาจาร์ก็ได้นะครับเช่นผู้ชายที่ถูกผู้หญิงเหยียดยามเป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าก็อาจจะทําปาณาติบาตหรือไปทําการเมสุมิชฌาจารย์ไปทําบาปอื่นๆ อ, อ, อีกนะครับบางคนเนี่ยนะครับทำชั่วเพราะเขา้าหมินนะครับเพราะถูกดูหมินถูกเหยียดยามตัวเองก็เลยต้องทําชั่วนะครับเพราะนั้นการเมก็ได้หรือมุสาวาตก็ได้นะครับก็แสดงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ตัวของมานะเองเป็นเพียงแต่เป็นปัจจัย เป็นสัมปยุตตะปัจจัยให้อากุศลอื่นๆเกิดนะครับแต่ว่าตัวของเขาก็เป็นอยู่ในฝักฝ่ายของสมุทั ย, ยศัสตร์อยู่แล้วอแต่จริงๆแล้วปุถุชนทุกคนมันมีมานะเหมือนกันหมดเลยนะทั่วๆไปเลยมานะนี่จะเกิดต่อเมื่อมีปัจจัยนะครับอมันก็เหมือนกับอกุูสนทั้งหลายทั่วๆไปนั่นแหละถ้าได้ปัจจัยก็เกิดทีนี้ว่าเมื่อเข้าเกิดเข้าจะเป็นยังไงก็มาดูว่าในอัตถกถาอธิบายบทว่ามานัง ได้แก่มีใจหญิงด้วยชาติเป็นต้นเนี่ยนะครับถือว่าตัวเองเนี่ยมีชาติมีตระกูลแบบนั้นแบบนั้นมีโพคะแบบนั้นมีผิวพรรณแบบนั้นหน้าตาแบบนั้นนะเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งมานะได้หมดเลยด้วยว่าคนมีใจพองนั้นท่านกล่าวว่ามาโนผู้มีความถือตัวใจมันพองเลยนะครับ นะมันเป็นลมข้างในที่มันสูบเข้าไปอ่ะนะมันถ้าถ้ า, ถาเหมือนกับลูกโปงอ่ะนะเพราะฉะนั้นมานะมันก็พองทําให้มันพองขึ้นอ่ะนะก็ที่เคยฟังในสมัยเด็กๆใช่ไหมครับที่ฟังเรื่องอึงอ่ะนะที่อา่าลูกอึองเนี่ยนะครับมันถูกวัวเนี่ยเหยียบตายนะแม่อ่องก็มาถามว่าใครมาเหยียบวกาั้นบอกว่าวัวมาเหยียบตัวใหญ่ไหมใหญ่มากแม่อึองก็เลยมาพองดูว่ามันใหญ่เท่านี้ใช่ไหย บอกไม่ใช่แม่อื่นก็พองพองจนตัวตายก็แล้วเนี่ย น, น, นะนนมันมานะมันก็เป็นเหตุให้พองคล้ายๆแบบนั้น น, นะนะบางคนก็ตายเพราะลําพองนั่นแหละคําว่ามานะคือความถือตัวนี้เพราะอาธิบาว่าเป็นเหตุทำให้สําคัญ น, น, นะนะคือให้มีความสําคัญโดยในเป็นต้นว่าไซโยหามะสมิเราเป็นผู้ประเสริฐเนี่ย น, นะใครจะมาดีเท่าเราใช่ไหมครับ งานนี้มันต้องเราจรึงจะได้คนอื่นทําไม่ได้หรอกมานะต้องระดับเราเหมือนกันนะเรานี่เจ๋งที่สุดแล้วลักษณะเนี่ยนะหรือสําคัญตนเองหรือเป็นผู้ยกย่องการนับถือเนี่ยนะครับประสงค์ให้คนอื่นเขายอมรับอนะาหากว่าคนอื่นไม่ยอมรับนี่มันทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะฟาดลวดลายทุกอย่างเพื่อให้คนยอมรับเนี่ยนะครับ กิริยาอาจจะทั้งคําพูดโดยกิริยาที่แสดงออกเป็นต้นเนี่ยนะอยากให้คนอื่นเขาก็รู้ว่าเราก็นั่งอยู่ในที่นั้นเป็นต้นเนี่ยนะมันจะค่อยๆพองขึ้นแล้วแต่อันุภาพเนี่ยนะสํานวนก็เหมือนกับเด็กๆอยู่ๆก็ตีลังกาขึ้นมาอยากให้ใครให้ผู้ใหญ่ดูนะลักษณะนั้นนะนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนโตก็อาจจะมาณนะอาจจะว่าปณะนีดกว่าดูปณะีดกว่านั้นนะแต่จิตที่เป็นบาปก็ไม่มีความต่างกันอะไรนะเพราะฉะนั้นขนาดแม้กระทั่งมาทําบุญก็อยากให้มีชื่อโฆษณาให้ชื่อให้หน่อยเป็นต้นเนี่ยนะ อยากให้เขาเอ่ยชื่ออยากให้รู้ว่าเราก็ทําไปแล้วนะเป็นลักษณะเนี้ยนะอยากประกาศไปนั้นนะครับอยากให้คนอื่นเขายอมรับเขารับรู้ก็สบายใจละนะทีนี้มานะนี้มีสามอย่างคือมานะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือว่ามานะว่าเราเป็นผู้เสมอเขาหรือว่าเป็นผู้เลวกว่าเขาถ้าแบ่งออกเป็น3าอย่างนะบางคนก็คือสําคัญว่าดีกว่าสําคัญว่าเท่ากันสําคัญว่าต่ํากว่า ก็เหมือนกับอย่างที่เขาว่านะบางคนก็บอกเขาเนี่ยเรียนสูงกว่าเราเนี่ยนะเรานี่มันคนต่ำคนต้อยเหมือนกับว่าจะไม่มีมาณอันนั้นก็มานะอย่างหนึ่งไอ้มาณที่บอกว่าฉันเนี่ยโอ้ยพวกนี้มันโง่ทั้งนั้นอ่ะฉลาดชั้นอยู่คนเดียวอ่นนะ้อันนี้ก็มานะอีกอย่างหนึ่งออ้ยพวกนี้จบมาถ้าเท่ากันทั้งนั้นแหละอันนี้ก็มานะอย่างหนึ่งนะจะคิดว่าดีกว่าก็มานะอย่างหนึ่งคิดว่าต่ากว่าก็มานะอีกอย่างหนึ่งคิดว่าเท่าๆกันพอๆกันก็มานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ถาว่าทํำยังไงก็พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นนี่นะครับมานะจะได้ไม่เกิดนะทีนี้มานะบางทีมันก็อาศัยรูปประคันเป็นเครื่องเปรียบเทียบก็มีว่าเราเนี่ยมีรูปดีกว่าเขาเราเนี่ยมีรูปเสมอเขาหรือว่ารูปเลวกว่าเขาเนี่ยนะเอารูปประคันเป็นเครื่องเปรียบเทียบก็มีเอาเวทนาขันว่าเรานี่มีความสุขกว่าพวกนี้ทั้งหมดแหละสุขทุกเราก็เท่าเท่า ก, กันเอ้เรานี่ทุกมากกว่าเขาเป็นต้นเนี่ยนะ เวทนาขันก็เป็นเครื่องเปรียบได้หรือสัญญาขันก็ได้นะครับสัญญาขันก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยคือมีความสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งนะพวกนี้ไม่รับรู้รอกว่าเราคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ด้วยอํานาจสาคัญทั้งหลายเลยเนี่ยนะเราเนี่ยรู้พอๆกันนะสำคัญพอๆกันนะมีลมการคล้ายๆกันเป็นต้นเนี่ยนั้นอาศัยสัญญาขันสังขารขันเละวิญญาณขันก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะได้เหมือนกัน หรือว่ามานะจะแบ่งออกเป็น9ก็ได้นะครับเพิ่งเห็นว่ามานะมีการเย่อหยิ่งเป็นลักษณะอีก9้าอย่างคือมานะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐในบรรดากษัตรินะก็คือผู้ประเสริฐอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยมันกษัตริย์ชั้นหนึ่งงั้นเถอะกษัตริย์เกรดหนึ่งงั้นนะก็ยังสําคัญขนาดนั้นอีกนะเราเนี่ยดีกว่าพวกกษัตริย์ทั้งหมดเลยนะประเสริฐกว่าสําคัญว่าผู้ประเสริฐกว่า หรือว่าเสมอกับผู้กระเสริฐอู้ในบรรดากษัตริย์เราก็กษัตริย์ด้วยคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เขเรียกว่าเสมอกับผู้ประเสริฐนะหรือว่าเลวกว่าผู้ประเสริฐแต่อู้ในบรรดากษัตริทั้งหมดเราเนี่ยมันตกต่ำกว่าเพื่อนเลยนะทำไมเรามันหม่มันทุกข์มันยากเหมือนกับไม่ใช่กษัตริย์แบบนั้นอ่ะอันนี้ก็คือประเสริฐแต่ก็สําคัญว่าเลวกว่าผู้ประเสริฐนะนะหรือว่าประเสริฐกว่าผู้เสมออู้นะในรุ่นเดียวกันนี่เรานี่แซงอันดับหนึ่งเลยอ่ะนะการแบบนี้นะ ออกมาณนะอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าเสมอกับผู้เสมอนะโ อ, อ้พอๆกันหมดแหละหรือว่าเลวกว่าผู้เสมอนะครับก็คือเอาเอาคำว่าประเสริฐก็คือลักษณะของตระกูลสูงเสมอก็คือพวกตระกูลปานกลางนะครับเลวก็อาจจะตระกูลจันทันเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าประเสริฐกว่าผู้เลวโอ้บรรดาจันทันด้วยกันนะเราในชั้นหนึ่งว่งั้น <c oughs> ก็เลวพอๆกันก็ยังเอามาเปรียบเทียบกันนะ อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่แหละครับมันเป็นเครื่องเปรียบเทียบเสมอกับผู้เลวเลวกับผู้เลวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีการถือตัวเป็นกิจของเขานะมาหน้านี้จะเห็นลักษณะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าลักษณะ3หรือลักษณะ9เพราะฉะนั้นกิจของเขาก็คือมีการถือตัวนะครับถือขันท่นะหรือมีการยกย่องเป็นกิจจรสดเนี่ยนะครับหรือปรารถนาความยกย่องนะ สำนวนจะสร้างปมเครื่องอยากมีปม อ, อยากเป็นอยากเป็นคนเด่นอะไรอย่าเงี้มีความเป็นคนพองเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะครับอันนะั้นก็พองนะวงการบางวงการนี่นะครับมีแต่เรื่องมานะทั้งน <Officer> ั้นเลยนะเช่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องศักดิ์ศรีทั้งหลายเลยเนี่ยวงการเนี่ยหนาแน่นไปด้วยมานะอันนวงการบางวงการเนี่ยหนาแน่นไปด้วยมานะบางวงการหนาแน่นไปด้วยทิฐิ เช่นวงการนักบวชเนี่ยถือว่ามีทิ่ติเป็นหลักนะครับถ้าวงการที่เกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องตําแหน่งเนี่ยนะมันแบ่งเกรดกันเนี่ยอันนี้วงการนั้นหนักไปด้วยมานะแต่ก็เกิดร่วมกวับโลภะพอๆกันนั่นนะ น, น, นะนะครับรนนะที่ที่ทมาณนะนะก็วงการที่ต้องใช้ยศตําแหน่งนะครับเป็นต้นนะครับนั่นแหละที่ที่คล้ายๆกับว่าลบหลู่กันไม่ได้เลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเกรดเกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องบริวารเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือมีความยิ่งใหญ่เป็นอาการปรากฏนี่นะครับปราถนาความยิ่งใหญ่ น, นั่นก็บอกว่าเป็นดุจคนบ้า น, นะครับมีความโลภปราศจากทิฏฐิเป็นประฐานเป็นเหมือนคนบ้าเท่านั้นเองนะครับก็อาศัยรูปประคันเป็นเครื่องเปรียบเทียบแล้วรูปเที่ยงหมลนะ่ะไม่เที่ยง อาศัยเวทนาเป็นต้นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เปรียบเทียบไปทําอะไรอันอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอย่างนางรูปปันทานะครับรูปปันฑทาเนี่ยนะซึ่งเป็นพญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมีมานะมากนะครับคิดว่าในที่นี้ใครจะงามเท่าเรานั้นจะอาศัยรูปกายเนี่ยนะครับรูปปัณฑ์เนี่ยนะเปรียบเทียบในความงดงาม แล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าผู้ที่สําคัญในกายตนเนี่ยนะแล้วดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมครับก็เปรียบเทียบไปงั้นอ่ะเอาผมมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบถ้าผมดีจริงๆก็ไปใส่กรอบไว้บูชาสิครับนี่ไม่มีแล้วครับอาศัยเล็บอาศัยฟันอาศัยหนังอาศัยเนื้อเนี่ยนะเอาฟันนา ง, งามาใส่กรอบเนี่ยากนะครับ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดโอ้โหนี่ปัสะวะนางงามนี่เงี้ยนะปัสะวะคนงามเนี่ยนะครับจนสมัยพุทธกาลเนี่ยที่อย่างนางน้องหมอชีวกนะชื่อานางศรอมาเนี่ยนะครับคนงามที่สดเลยปกติคืนละพันเนี่ยนะขาตัวแพงมากนะครับสมัยนั้นสมัยที่ว่าหนึ่งกหาปณะ น, นี่แพงมหาศาลเนี่ยนะนนี้พันกระหาปณะเ น, นี่ยต่อคืนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีจริงๆก็ไม่ได้ร่วมกับร่วมกับนางนางก็มีความงามสูงเด่นมากอย่างนั้นนะทีนี้พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระองค์ปล่อยให้มันอืดสักสองสาวันก่อนนะมีนอนชอนชายบ้างนะปริแตกไปเรื่อยเนี่ย น, นะเอาเลยยกให้เลยเอามาพันหนึ่งเนะี่ยยกท่าไอ้ทั้งตัวแลยหัวใจเหมากนั้นเอะนะเอาไปลดนะนะไม่มีใครรับเลยนะครับลดกระหาลดมาจนเหลือสลึงเดียวก็ไม่มีใครเอานะครับ และในที่สุดยกให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาไปเลยเนะมันมาดูร่างกายอันอาดูนนะครับมันสกปรกมันเศร้าหมองแถมเข้าสารนสักกระสอบยังไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยครับดนะมากกว่านั้นเลยนะครับแถมลงแก้วให้อีกโลงยังไม่เอาเลย <c oughs> อันมานะนี้ปราศจาทิฐินะครับเป็นเครื่องประกอบบทว่าปชาหะทะเมียธิบายว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษมีประเภท เป็นต้นอย่างนี้ว่านะถ้าจะละมานะชั้นต้นต้องพิจารณาโทษก่อนว่ามานะทั้งหมดนั้นน่ะมีการยกตนและข่มผู้อื่นเป็นนิมิตนิมิตนะครับเครื่องหมายของเขาอ่ะนะก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละเป็นเหตุไม่ทำการกราบไหว้การต้อนรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเป็นต้นในท่านผู้อยู่ในฐานะที่ควรเคารพเป็นเหตุนะครับ แล้วก็มานะนี่ก็เป็นเหตุให้ถึงความประมาทโดยความเมาในชาติและเมาในในความเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นต้นนั่นเองนะครับเนึกถึงในชาดกเรื่องหนึ่งนะครับพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไอความตัวเองที่มีมานะสูงมากเนะี่ยเกิดจากตระกูลสูงเนี่ยมานะมันก็แรงแล้วก็ถือว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะเขาเป็นคนเรียนดีที่สุดเก่งที่สุดเนี่ยนะตอนหลังก็ออกบวชไปอยูป่ป่า ออกบวชไปอยู่ป่าเนี่ยมันลำพองด้วยมานะมากสมถะที่จะเจริญก็เจริญไม่ได้นะครับมานะมันมีกําลังมากพระประเจกท่านก็กรุณาท่าน ก, ก็ไปคุยด้วยว่าท่านนี่นะเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านไม่ควรมีมานะอย่างนี้หรอกเห็นไหมเป็นพระโพธิสัตว์แล้วบรรลุเมื่อไหรล่ะนะเซลนะพูดถากถางพระปเจกด้วยบรรลุเมื่อไรบรรลุยังไงอะไรเป็นเมื่อไรอะไรเงี้นไม่ว่ายไม่กราบพระประเจกสักนิดเลย น, นนะะประเจกท่านก็ เหาะนี้เหมือนกับโปรยฝุ่นใส่หัวซะหน่อยเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกโอ้โหนี่นะไอเรานี่มีแต่มานะเหาะก็เหาะไม่ได้ก็มันเหาะก็เหาะไม่ได้มีแต่มานะแล้วก็เลยสมาทานอุโบสถอย่างแข่งครัดขอกุศลธรรมเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อกําจัดมานะชนิดนี้นะตอนหลังก็พอละเหตุโทษของมานะแล้วก็เจริญฌานอภิญญาได้นะครับงั้นมานะนี่ก็แม้กระทั่งคนที่ควรกราบควรไหว้ก็ไม่กราบไม่ไหว้ หรื อ, อกชาติหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างในชาติที่เป็นโชติปาละมานพเพื่อนกติการะชาชวนยังไงก็ไม่ไปนะครับด้วยความเมาในโคตในตระกูลเบนต้นเนี่ยนะในในทรัพย์สมบัติในวิชาความรู้เนี่ยเพื่อนชวนไม่รู้กี่ครัง้งต่อกี่ครั้งให้ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้มานะนั้นก็ไม่ทาให้ยอมอยากไปแล้วก็ยังมีคําหนึ่งก็บอกว่าไปหาทําไมสัมณโลนโพธิยานท่านได้โดยยากไอ้คานั่นแหละครับ เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยนะปฏิบัติผิดนอกจากสัมมามักตั้งหลายปีเป็นอุปนิสัยให้ปฏิบัติผิดนะครับที่เรียกว่าไปทรมานกายเนี่ยนะไปปฏิบัติผิดให้คิดวิบัติจากจากข้อปฏิบัติเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ น, นะครับไปปฏิบัติอย่างอื่นๆเช่นไปอดอาหารเป็นต้นซึ่งนอกจากมัชชีมาปฏิปทาเ น, นี่ยนะครับไปปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลัก ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนะอุปนิสัยอันนั้นก็เนื่องจากไปมีมานะหมินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั่นเองนะครับนะแล้วก็ให้พิจารณาอนิสงค์ของการไม่มีมานะนะครับตรงกันข้ามกับมาะนะก็คืออนิสงค์ของไม่มีมานะก็ทําให้เกิดในตระกูลสูงเป็นต้นเนี่ยนะครับเกิดมาก็เกิดในตระกูลสูงมีคนยอมรับนับถือมากนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ําเป็นต้นนี่ก็ให้สลดใจสังเวทใจเทว่ะอดีตเนี่ยมาณะง่ายๆเลยนะครับนั่นนะครับมผมเนี่ยใช่เลยนะครับมาณะแน่นอนเลยครับทําให้มาเกิดแบบนี้นะแทนที่ว่าน่าจะเกิดดีกว่านี้ก็ไม่ได้เกิดแต่ครับยังมานะยังเปรียบอีกนักกดีกว่าได้รับชานกำลังเงินว่าเป็นนั่นเองนะครับเอี๋ไม่ทราบว่าที่ว่าตระกูลต่ำตระกูลสูงเนี่ย ตระกูลต่ำเนี่ยเอาแค่ไหนแล้วก็ตระกูลสูงเนี่ยเอาแค่ไหนเลยยกตัว อ, อย่างให้ได้ฟังตระกูลที่คนยอมรับนะครับเราเรียกว่าตระกูลสูงตระกูลที่เขาไม่ยอมรับนะเออเชื่อก็เขาหมิ่นเลยนะใ น, นเรื่องตระกูลต่ำเช่นตระกูลกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยเขาก็ๆๆๆยอมรับนะครับถ้าถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับตระกูลที่มีณอยุทยาณณอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตระกูลที่เป็นเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์เชื้อคนที่เขายอมรับเลยนะลักษณะนั้นนะตระกูลสูง ตระกูลต่กาก็เอ่ยชื่อก็ทำไม่ได้นะตระกูลต่ำบางคนก็ตระกูลต่ําไรทรับอีกก็หนักเขนะ้นาเข้อีกนะครับตระกูลคนก็ไม่ยอมรับแล้วก็ซับก็ไม่มีอีกเพราะไม่ให้ทานาถ้าเป็นกษัตริย์นี่จะถ้าเป็นกษัตริย์นี่จะถือว่าได้ตระกูลสูงทั้งหมดเลยไหมก็ถ้าตระกูลกษัตริย์ก็ถือว่าตระกูลสูงที่สุดแล้วนะในบรรดาตระกูลทั้งหลายผู้รังเกียจกันด้วยโคตรนะกษัตริย์ประเสริฐที่สุด ผมอ่านในคำพี่ไหนผมจําไม่ได้ละเพราะว่าเขายกตัวอย่างมาตระกูลต่ําเนี่ยอย่างเช่นตระกูลเทอยากเชื่อตระกูลแต่ ท, ที่ผมส<ท>งสัยคือตระกูลช่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตระกูลต่ําแต่เราไม่เห็นตระกูลช่างสมัยนี้บางทีรวยนั่นเออสา ย, ยนะคือเมื่อเทียบกับตระกูลสมัยก่อนนะครับช่างช่างสมัยก่อนบางอย่างเนี่ยนะ ก, ก็ยากจนนะครับและโดยเฉพาะตระกูลเทดอกไม้ ตระกูลเทดอกไม้คือสมัยนี้เรียกเทศบาลที่ดูดซ่วมนะครับ<ช>นั่นแหละไอ้เทดอกไม้เนี่ยนะก็อุจระเนะี่ยเอาดอกไม้วางไว้ข้างบนแล้วก็ทูลไปทิ้งอ่านะเรียกตระกูลเทดอกไม้ก็คือตระกูลเทกระถนนั่นแหละครับ<ม>ตระกูลเทอุจระทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นก็เทียบไปแล้วก็ถือว่าตระกูลต่ํานะครับเมื่อเทียบกับเชื้อเจ้าเชื้อนายมียศมีตําแหน่งเป็นสูงๆนะครับนั่นแหละ แล้วก็อานิสง์ไม่มีมานะก็ทําให้เกิดในตระกูลสูงเป็นต้นนะครับแล้วเริ่มตั้งจิตอ่อนน้อมในเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายนะครับก็ให้รู้จักอ่อนน้อมในผู้ที่บําเพญ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ยนะครับคิดดูนะว่าผู้ที่บวชโดยที่เบื้องต้นให้เรื่องขจัดมานะก่อนคือใครครับธรรมหกสปะนี่นะครับให้ไปตั้งความเคารพอย่างแงกรง่กรงกล้าในสุ ป, ปูะเทระในปูณนวากะแล้วก็ในปูณ มัชิมะนะครับให้ไปตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าเอาไว้เลยเนี่ยใ น, ย เ, นยเบื้องต้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดมานะในชั้นแรกๆเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คื อ, อยังไงครับให้ตั้งเอ่อให้ให้ถ้าฟังสิ่งที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เงียโสดลงสังลงสดับให้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเข้าไปตั้งกายะคตาสเตก ในกายนี่ให้มากนะครับเนี่ยบวชก็เป็นคําบวชของพระมหากัสสปะนะครับเพราะฉะนั้นมานะเนี่ยถ้าหาว่าคนที่มีมานะเนี่ยนะครับไปนึกดูหมิ่นผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายนี่เสียหายมากนะครับแค่ว่าในคมพีนะในกล่าวถึงพระภิกสุรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นพระโสดาบันอาจารย์นี้เป็นพระอาหารหันต์อาจานี่นะครับที่เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นโรคลมเพราะฉะนั้นไปบิณฑบาตได้เข้าต้มมาก็เอามาดื่ม เดิมในระหว่างทางนั่นแหละครับก็ระหว่างมันกําลังร้อนๆอยู่ถ้าไปปล่อยให้เย็นก่อนมันก็ไม่สําเร็จเป็นยาพันต์ก็ดื่มตรงนั้นนะ่ะลูกศิษย์ก็เห็นโอ้ยพระแก่รูปนี้นะมาทําให้เราอับอายขายขี้หน้านะครับคิดอย่างนั้นแหละครับตอนหลังพระอารหันต์ก็ถามว่าเออนี่คุณบรรลุคุณธรรมชั้นไหนแล้วอย่างั้นนะก็บอกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็บอกว่าเอออยู่เท่านั้นแหละอย่างนั้นนะรู้ตัวแล้วก็ขอโทษใหญ่เลยนะครับว่าเรานี่นึกหมิน่นพระอริยะไปแล้วนะครับ เพราะถ้าไปนึกหมินคนที่มีคุณธรรมจริงๆนี่ก็มีโทษนะครับในทําหมินไปมากๆก็อายุประวาทะก็จะเป็นไม่ยากนักนะครับนะบา ป, ปรกรรมด้านอื่นๆก็จะติดตามมาเป็นพรวนนะเพราะฉะนั้นมานะนี้มันก็กิเลสสายสายโลภเหมือนกันนะครับอยู่ในฝักฝาแห่งสมุทยัยเพราะฉะนั้นสามารถ เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำได้เพราะฉะนั้นก็เข้าไปตั้งจิตนอบน้อมในเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ดุดคนจันทานเข้าไปสู่ราชสภาแล้วละมานะนั้นด้วยตะทางข้าพระันในส่วนเบื้องต้นเจริญวิปัสสนาละด้วยอนาคามีมักนะครับ เ, เขอการถามนิดหนึ่งเรื่องพระโสดาบันตำาหน่พระเถระเมื่อกี้นะถ้าหากว่าเขาไม่ไปขอขอมาพระเถระรูปนั้นนี้จะได้บรรลุเป็นพระพัน ถ้าไม่ไม่คือไอ้บรรลุนี่บรรลุแน่แต่ว่าชาตินั้นไม่รู้จะบรรลุหรือเปล่าแต่ว่าชาติหลังๆยังไงก็ต้องบรรลุแน่นอนแต่ว่าในชาตินั้นก็ชะงักไว้ก่อนนะก็ชะงักแล้วก็ใส่ลิฟสก็เกรียกว่าใส่น็อตไว้แล้วนะครับมานะตัวนั้นนะเป็นเหมือนกับ น, อน็อต น, นะ <Okay. S 2> เหมือนกับเกลียวก็ใช้คําว่าปะปันจะทํานะครับเป็นเครื่องเนินช้าหรือก็เข้ากับถูกตรึงไว้กับที่แล้วนะครับจเจริญยา ก, กว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นในสูตรนี้ประสงค์เอามานะอันอนาคามีมักเพิงฆ่าเท่านั้นนะครับบทว่ามัตตาเสได้แก่เป็นผู้เมาด้วยมานะมีความเมาในชาติและเมาในความเมาคนเป็นต้นนะครับอันเป็นเหตุให้ถึงความประมาทยกย่องตนแล้วก็มัวเมานะครับไปที่ไหนก็โอ้ยเรานี่เป็นคนพิเศษนะไม่เหมือนใครนะเราเนี่ยเด่นที่สุดดีที่สุดอะไรที่สุดเนี่ยนะมีความสาคัญตนในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะต้อง เห็นทุกเห็นโทษของไอ้มาณะอันนี้นะครับนะมีแต่มาณะเหาะไม่ได้ทําอะไรได้นะครับแบบแบบพระโพธิสัตว์ท่านคิดเนี่ก็ดีมกันนะครับเรามีแต่มาณะเท่านั้นมีอะไรเหลือแต่กิเลสอ่ะนะบุญอื่นอื่เห็นมีอะไรเท่าไร่เลยบางกั้น แต่ใน6สูตรหรือในคาถาทั้งหลายตามลําดับเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังพิสูจนทั้งหลายให้ถึงอนาคามีผลแล้วจบเทศนะครับหสูตรนะสูตรแรกคือสูตรว่าด้วยโลภะสูตรที่สองโทสะสูตรที่สโมหะสูตรที่4โกธะสูตรที่5มัคคะสูตรที่6มานะนะครับงั้นทั้ง6สูตรนี้จบลงแค่อรหัตผลนะที่ใช้คําว่าแค่ก็คือเพราะว่าถ้าเทียบกับอรหัตมัคนี อันนี้ก็เทียบานาคามีผลนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นสวิวัตตะเหมือนกันทีนี้ในท่านผู้บรรลุธนาคามีผลนั้นได้เนี่ยนะครับก็เป็นพระธนาคามีห้านะครับถ้าเรียกตามภพนะมีอยู่ห้าชั้นคือพระธนาคามีที่ไปเกิดในชั้นอวิหาที่เกิดในชั้นอตัตปาที่เกิดในชั้นสุทธาที่เกิดในชั้นสุทธสีแล้วก็เกิดชั้นกนิฐามีห้าชั้นนะครับขอโอกาสครับ ตามที่ในศึกษานักธรรมอะไรมาเนี่ยก็ยจะมีบอกว่าพระนาคามียละมานะไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าระมานะได้นี่จะเป็นพระอรหันต์เลยไหมหรือว่าเป็นแค่นาคามีแม้นาคามีก็ละอะมานะได้คือก็มานะนี่ก็เกิดร่วมกับจิตลายระดับชั้นนะครับมานะเนี่ยนะแต่ว่าละได้เป็นสมุเทเชืถ้าปาระธานไม่มีเชื้อเหลือเลยเนี่ยก็ระดับพระาอารหันต์นะครับ แต่ไม้เอามานะที่เกิดร่วมกับโลภะที่เป็นไปกับการมาราคะเป็นต้นมะนะมะแบบที่ไม่ใช่พารอหารละนะน่นะส่วนเกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีที่อยู่ในชั้นอวิหาอาตัอาตปาสุทธิสาสุท ธ, ธีก็มีรายละเอียดบ้างตามสมควรนะครับทีนี้จะไม่เอามากล่าวนะครับก็ไปพิจารณาเอาไว้แล้วกันแต่ให้รู้ว่าในทั้ง6สูตรนี่หมายถึงพระอนาคามีทั้งหมดเนี่ยนะครับ พานาคามีนี้ถ้าโดยพิสดารก็มีอยู่สี่สิบแปดประเภทนะครับก็กรุณาไปค้นคว้าต่อไปก็แล้วกัน